กันดีใจรรากันต่างใจเออโอ้สองปีสามปียังได้มาพบกันอีกฮูมาเป็นขั้งที่สองที่สามนี่มั้งนี้ฮมหลงหน้าหลงหลังออผิดหน้าปิดตาก็จำกันมัออ้งค่อยได้เต็มที่แต่ว่าจำหน้ากันออได้ดีอยู่แต่ว่าชื่อนั้น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 แต่กล้าเข้มงวดกวดขันถือต้องขาสะอาดเรื่อนรากหักแพงญาติธรรมทั้งหลายก็ต้องอสนใจอันเดียวกันนี่หมดเพราะว่าเห็นความเจ็บความเกลกวบเกิดความตายไม่ใส่ของธรรมดาเป็นของที่หนักมากม่าขันจิตใจของพวกเรามามรับใช้มาบำเพ็ญกุศลมาเกิดเอาบุญเอากุศลนันนี้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 ออใจให้พี่ใชจให้น้องใจให้ตัวเองกั อ, อลูกหลานบูชาธรรมอืมทํารัตวาศาสนาให้อืมพระสงฆ์องค์เข้าเจ้าอยู่บาเพ็ญกุศลภาวนาให้สบายใจรักษาอืท่าขันให้ลูกหลานได้กราบได้ไหว้ได้บาเพ็ญกุศลตามไปนี่คือว่าผู้ฉลาดผู้ประเ ส, สริฐต่อกันและกันออพระคนก็ไปจากโยมนี่แหละ อั้งแรกๆอือออกไปลำบากากากกรรมคนคั่วปฏิบัติดูออศึกษาก็ทําพระวินัยพระไตรปิฎกอืเป็นของจริงหรือว่าคนเขียนเอาเฉยๆคุณว่าอะไรมาปฏิบัติดูแหละโหอ้มันเย็นใจมันสงบร่มเ ย, เย็นลงเย็นลงเย็นลงกายไม่มีไม่มีเนื้อมีหนังไม่มีเจ็บมีปวดนี่เหละยวคุณว่าอืม มันว่างมันเย็นสงบล่มเย็นไปหมดนั่นแหละพวกเราทั้งหลายอยู่นี่ก็ต้องการในจุดนี้ก็ต้องต้องมาบําเพ็ญกุศลมาอืมทาบเอาศีลเอาธรรมจากหลวงปู่หลวงปู่ก็รับมาจากพระแม่ครูบาอาจารย์อืมถึงเรานี่ยโอ้หน้าคิดหน้าเอาไปกันกองเอาไปสี่เจรนาอืให้หน่าอยู่ในโลกนี่คนว่าที่จริง อืตามเพระาะแม่ครูบาอาจารย์พูดกันว่าพวกเราทั้งหลายนี่จะได้ไปหมดแต่มันซาดเร็วต่างกันอมไปที่ไหนไปที่มัชชุกนั่นแหละไปโลกอีกใบหนึ่งโลกอีกตัวตัวหนึ่งคือโลกทิพยโรมัชุกโลก น, นั่นเออเข้าไปยากเมืองสวรรค์สิบหกท่นฟ้า 15. สิบห้าท่านดินนี่เทียวขึ้นเที่ยวลงอยู่อย่างนี้แหละเที่ยวขึ้นเที่ยวลงลงมาแล้วขึ้นยากอันนี้อะไรไม่ขึ้น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 เออของส่วนตัวจะหลับจะนอนก็มีสติมีพุทโธ ม, มีบุญอยู่ในหัวใจนี่ข้าพเจ้าได้กินได้ทานได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้บําเพ็ญภาวนาอืได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมสดชื่นดีใจอืข้าพเจ้าหลับกับควางามความดีออพุทโธอรหงัอหงอรหังก็ดีออหันใจเข้าออกอืมมีสติอยู่ทุกเมื่อคุณว่าหายใจเข้าลึกๆ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 ไปตามพระพุทธเจ้าไปตามศาสนาตั้งใจหลับกับฟุตโมบางคนพูดว่าเบื่อผุโ้โฟมันมันบ่นอยู่ตลอดแลยมันก็อยากอยากเปลี่ยนอย่างใหม่ก็เอาอ า, าลังหางหันใจเข้าอาลหางอาลางหางยาวเข้าไปดึงดูดกันเข้าไปมัน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 ก็บวามเพ็ินไปเรื่อยๆวันเวลานาทีของพวกเราอสองปีสามปีมานี่โลกมันมามาแย่งมามาห้ามเพื่อนก็ห้ามว่าถ้ามันเป็นแล้วอืมลงปอดลงพุงลงไปหาที่อืมเราไม่ได้เห็นกันลงไปตัดทางลงไปบังคับอืมถ้าหมอไม่ทานถ้าไม่ตั้งใจก็ตายได้ถ้าถ้ามันลงไปปอดลงไปอะไรอันนี้บางรายเขาก็ถามว่า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 ที่นั่งที่นอนที่อยู่อาศัยถ้ามันเศร้ามองขูนมัวมันกินอายมันขึ้นมามันก็เป็นเชื้อโรคมันม้าขันเรามันมันมีกับทุกคนอยู่แล้วถ้ามันไปมาหากันได้มันมันขยับออกมาหากันได้แล้วมันก็บังคับให้เราลำบากทรมานไปพอออกไม่ออกสาธาญาติโรงของหลวงปู่ของศาสนา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 เออผู้หนึ่งไม่ได้อยู่แหละไปอะไรเออไปเผาศพกันไปเยี่ยมป่วยเยี่ยมเจ็บเยี่ยมไข้ยอะไแหละมันเป็ี่ยนสัตวเออผู้ใดไม่มีอือโรคมีภัยนี่แต่ความสุขความเจริญก็เป็นลาบอันประเสริฐเออก็มีแต่นั่งภาวนาอืมดูมันเวทนาไปก็ค่อยเพียรไปทําไปวันใดวันหนึ่งเราตั้งใจมันก็จะอืมเป็นนางเทพดาเป็นเทพบุตรเออตามไปจนถึงจุดสุดท้ายอะไร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 แค่แล้วมันหลุดออกแล้วเชือกต้นนั่นหลุดออกแลก้วก็เบาเวงเดีอยหลุดเบาว่างลกกระทัดมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความงามความดีอยู่ในหัวใจของพวกเราทั้งหลายพากันดีอกดีใจมาเยี่ยมมายามบุญลายจังพ่อคุณบุญหน่อยก็ไปน้องโควิดเอาไปเอาไปเป็นธาตุไปไม่ตามกรรมตามเวรของมันนั่นแหละแปลว่ามันเป็นธรรมดาคุณว่า เออรว่าจะแต่งเอาก็ถูกอืมมันแต่งขึ้นมาก็ว่าได้อืขายาไปด้วยแเราแต่บุญแต่กรรมกรรมตกแต่งกรรมพวกเรานี่แหละเออแปลว่าเราฉลาดเรามีบุญมาอย่างไรเราก็สู้เออแต่เรามีพุโทโธอยู่ในใจเรามีศีลมีธรรมอันนี้แหละพาเราตั้งใจภาวนารีบทําเอาเราไม่ได้อยู่ข้ามฟ้าครูเพื่อนสอนนั่นเละอยู่แค่เออไม่นาน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 เพิ่งไปหมดทมโมหายาพระธรรมันประเส ร, ริฐลูกหลานต้องการคุณงามความดีหายไปแค่ขาดไปให้หมดเทวด้เทวดาสิบหกสั้นฟาสิบห้าสั้นดินถ้าจิตสงบแล้วเราไปเที่ยวไปหมดเราคิดไปแค่มันก็เย็นไปหมดคิดไปยังไงก็สาบายไปหมดคนจะว่ากิเลสมันมันไปแล้วกิเลสมันอ่อนลงกิเลสมันหนีแล้วเพราะว่า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 อยู่ในห้องแอร์ก็ไม่มีความสุขตุ้มหมอะไรก็ไม่ดีอาหารดีๆก็วุ่นวายายแหลกไปหมดนร ก, นกนหับทีตีแหลกไปเห็นไหมมันเปลี่ยนขึ้นมาบ้านเมืองของพวกเราพื้นงว่ามันจะบริเวณค่วงต่อไปมันก็จะเปลี่ยนไปคนมันมากมันพูดกันไม่รู้เรื่องมโมโหโศกพระเจ้าควนห้าม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 อพวกเราทั้งหลายดีใจมาร่วมกันในในจุดใหญ่ของอืสื่อสารอันประเสริฐอันนี้เลยเออไประงับไฟตัวนั้นให้มันสลายไปซะให้มันหายไปซะอืมคือพุโทโธเพิกธรรมโอหายสจำโคทิปอันนี้อการของทิปอยู่กับของทิปอยู่กับบุญพระบิดามารดามาตาปีตาปิดไร่ที่หัวใจของพวกเราที่เรา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 ออเออส่วนก็สงบร่มเย็นรู้แจ้งเห็นจริงเลยนั่งที่นั่นโอ้เขาเขาทําให้นั่งเราก็ต้องนั่งแต่ก่อนเราไม่เคยลําบากอะไรทั้งสิ้นวัน น, นี้เรามานั่งอันนี้วันี้เราไม่ลําบากอะไรทั้งสิ้นเราสงบร่มเย็นบรรลางทิพย์ของเราก็คือขันห้าขันห้ า, หาพาสู่ขันห่านอนอยู่กับดิน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 เออเขมแข็งบำเพะะ็ญภาวนาไม่ได้หยุดได้ถอยามเพียนร่วนน้ำมันกายแล้วมันกายเจ็บก็ไม่เจ็บปวดก็ไม่ปวดเห็นเขาอยู่วัดน่เลยเพวกเราทั้งหลายก็าทางจิตทางใจทำงานอยู่ในโร่มหาที่พึ่งหาบุญหากุศลในหัวใจให้เต็มหัวใจหมุนเข้าไปเรื่อยๆพุโทโธธรรมโมสังโอก็ สมควรกับเวลาที่ปู่ได้มาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานเยี่ยมอืมพอออกไม่ออกศรัทธาญาติโยมพากันดีใจอืม <c oughs> บุญกุศลที่อืมเราปรารถนาต้องการอืมกราพุทธพระธรรมพระสงฆ์ออพุโทโธธรมโมสองโคไตสรณคมกต่ยังมั่นคงอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ไปถืออะไรมามาให้มันหนักหลายสิ่งหลายอย่างออถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ้นทานของเราถูกต้องดีงามแล้ว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 พอแม่หลวงปูม่ม่นเพิ่นแนะนำเละหามไปหามไปหามเข้าไปวัดสุทธาวาสอที่นั่นเขาเป็นกันมาอยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็เออจะรู้เองเขาทุกขเขายากเขาลำบากเขาจะหยุดหยุดแล้วคือหยุดเออพระพุทธเจ้าห้ามกุลิมาโจรพราะว่าหยุดหยุดหยุดแล้วก็มีความสุขทันทีเลยเออพากันหยุด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 กรร ม, มโตจิมมตมิตังสิวิตังจุติตตตตมันมหานิยมบรรต่อเดืองไปยอันนี้คือว่าใจธรรมพุว่าแปดหมนสี่พันพัรมขันนี่พวกเราทั้งหลายภาวนาไปเรื่อยๆหน้าโมก็คือความนอกน้อมพุทว่าน้โมพุทธายะ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 ให้เราทุกข์เข้ามาเจอลำบากไปอีกหละยก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆเลื่อนไปจนถึงจุดหมายปลายทางนี่เลยแปดหมื่นสี่พันพฐรมะขันว่าตามล้างอีกรอบหนึ่งพุทโธอัลหังพุทโธอัลลหังพุทโธทำโมอัลหังทำโมอัลลหังทำโมสังโมอัลหังสังโฆอัลลหังสังโฆอั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 เอาให้กินอันดีๆให้แพงให้มันญ่มันโตด้วยกันโภลาน์คนว่าเนี่ยักแพงกันถึงจุดหมายปลายทางเรามาเกิดเอาบุญขาดเราไม่มีอะไรมากมายนะเอออะไรมาซูนนิดๆหน่อยๆมันก็เจ็บก็บปวดมันก็ทาละพัดหันใจเข้าไปนี่ยเออทำแามฟิก ๆ, ฟ ก, ๆ, ฟ ก, ๆกฟักฟักเอาโรคภัยเข้ามาแล้วแนี้แต่แนวเดียดเดียนี้แต่แนวทำลาย เออจังหวาบุญพวกเราทั้งหลายเออสิ่งารายทั้ทางเทวดา เออทำพระพุทธเจ้ามาปาดเปล่าไปแข้วขาดไปให้หมดได้บัดนี้ในภาันมีแต่ความสุขความเจริญในบุญในกุศลเถอะภาคนีใจยาถาวาริวาหาปุลาปริปุเรนตีสากรังเอวเมวะอิตูทินนางเปตนางอุปกปติอิสิตังปฏิตาง ต, ตุมหางคิปเ ม, มวะสมิตตุสัเพปุเรนตูสังคปาจันโทปนาลาโสยถามณีโสติลโสยาถ า, าสพิตโยวิวัชานตุสาปโลโ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 โภาเวนะปิสกตยญาโนภาเวนะสินนาสาวกานุภาเวนะสัเบเตโรคา สเบเตพยาสเบเตอันตารยาสเบเตอุปัฏฐวาสเบเตทุนิเมตาสเบเตวมังคลาวินาศสันตุไหยวัฏหโกธนวัฏหโกสิริวัฏหโกยาสวัฏหโกพัทวัฏหโกวรณวัฏหโกสุขวัฏหโกโหตูสัทาทุกขาโรขาพยาเวลาโสกาสันตูจุปัฏฐวาอเนกาอันตารยาปิวินสันตูเจติสัสสาสยาสิธิธนังลาพังโสธิภักกาย พังส <ài Spanish> ุขังพลังสิริอายุจะวันโนจ่าผู้ขังวตีทายาสวาซาตาวาสาจะอายุจ่าศีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพมังขลังหลักฐานตุสาปฏิวตาสภะพุทธานุภาเวนะสภะธรรมานุภาเวนะสภะสังฆานุภาเวนะสทาสุธิพวันตุเต